117. อธรรมมิกะกติกาว่าด้วยการตั้งกติกาไม่ชอบธรรมเรื่องตั้งกติกาไม่ชอบธรรมข้อส0 5สมัยนั้นพระสงฆ์ในกรุงสาวัตถีได้ตั้งกติกาเช่นนี้ว่าในระหว่างพรรษาไม่พึงให้บรรพชาหลานชายของนางวิสาขามิคารามาตา เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าคุณพระสงฆ์ได้ตั้งกติกาเช่นนี้ว่าในระหว่างพรรษาไม่พึงให้บรนประชาคุณจงรอจนกว่าภิกษุทั้งหลายเข้าจะบรรษาออกพรรษาแล้วจึงบวชได้ต่อมาภิกษุเหล่านั้นออกพรรษาแล้วได้กล่าวกับหลานชายของนางวิสาขามิคาระมาตาดังนี้ว่าบัดนี้คุณจงมาบวชเถิด หลานชายของนางวิสาขามิคารามาตานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายถ้ากระผมพึงบวชแล้วใสก็พึงยินดียิ่งบัดนี้กระผมจกไม่บรรพชาละขอรับนางวิสาขามิคารามาตาจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงได้ตั้งกติกาเช่นนี้ว่าในระหว่างพรรษาไม่พึงให้บรรพชาการเช่นไรเล่า ไม่พึงประพฤติธรรมภิกษุทั้งหลายได้ยินนางวิสาขามิคารามาตาตำหนีประนามโพลธนาจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงตั้งกติกาเช่นนี้ว่าในระหว่างพรรษาไม่พึงให้บรรพชาทรงหมู่ใดตั้งต้อ ง, งอาบัตทุกโกร